ทาใครเรียนปริเฉดหนึ่งมาแล้วถ้าเรียนปริเฉดหนึ่งมาแล้วเนี่ยถามนี้ต่อไม่ได้ยุ่งเลยใช่ไหมสงสัยจะเป็นภาระผู้บัญญาอะกเลยเนี้ยเรียนแล้วตอบไม่ได้ปรับเลย เียนหลายอย่างจ้ะ ไ, มไอมาคือคือยิงไอมาไม่ได้เรียนกับเขานานแล้วจำได้ว่าปริเชตหนึ่งเนี่ยเรียนมาสองพันน่รอยี่สิบสามยี่บสี่แล้วก็ไม่ได้เรียนอีกแล้วลองคิดดูทีนึงคนเรียนมาฝันนั้นแล้วจะจำอะไร <c oughs> ได้ใช่ไหมถึงงั้นก็เขาต้องเข้าใจดูโอ้เรียนมานานจัดเนาะ อย่างนั้นั้นก็เรียนมานานแต่แต่แต่ก็มีเขาโคงหน่อยนะยังจะพอจำํำในว่าคําว่าสัมมาสัมพุธทธธเนี่ยนะคือตรงนี้ก็คือท่านก็ขยายในเรื่องของสัมปทาอย่างที่ได้กล่าวมาเนี่ยแต่สรูเองโดยชอบแล้วด้วยพระองค์เองเนี่ยสัมมาสัมพุท ธ, ธาเนี่ยสัมมาสัพนั้นเป็นนิบาต ท, ที่เป็ น, อ, นอ่านว่าชอบหรือถูกต้อง เป็นการแสดงถึงกิริยาที่รู้แจ้งของพระทเจ้ามีปกติแผ่ไปทั่วไปในเยุธรรมที่พึงจะรู้ได้นะในกคำพิของชั้นอลักถาท่านก็บอกอกว่าพระตาเจกับพระธเจ้าพระอรหันต์ผู้ดำรงอยู่ในยานบางส่วนแล้วจะมารู้แจ้งโดยชอบในวิสัยของตนเท่านั้นส่วนในอารมณ์อันไม่ใช่วิสัยของตนเนี่ยก็เหมือนกับเข้าไปในดิศที่มืดท่านไม่สามารถที่จะเห็นอารมณ์เหล่านั้นได้โดยเพราะว่าท่านนั้นเน่ะ ปัญญาไม่ถึงไม่ถึงพระสัมมาสมัมพุทธะใช่ไมท้าวิสัยของพระประเจ้ากับพระเจ้าและพระอรหนะันต์นั้นมีน้อยเมื่อเทียบกับวิสัยของสัพพัญญูเหมือนดังอากาศในอุ้งมือมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับอากาศในท้องฟ้าที่นในความเป็นจริงแล้วพระประเจ้ากับพระเจ้าและพระอรหันตะ์ไม่สามารถจะอย่างรู้ธรรมมีผัสสะคือสภาวะที่กระทบอารมณ์เป็นต้นโดยประการทั้งหมดก็หมายความเบืลอเอียกนะนะ จะไปรู้ละเอียดละเ อ, อเลยทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่วิสัยเลยว่างั้นเถอะแต่ทำที่สัพพัญญูไม่รู้แจ้งชัดย่อมไม่มีทรมันเป็นไปในการสามและทมที่พ้นจากการสามทมอะไรที่เป็นไปในการสามคือปัจจุบันอดีตอนาคตคือสังกัดธรรมทั้งหมดนั่นแหละขันใ น, นะนะจิตเจตสิกรูปนั้นแกแปลว่าทำที่เป็นไปในการสาม ส่วนนิพพานและบัญญัตินั้นนะ่ะเป็นธรรมที่พ้นจากการแต่ก็ไม่มีวิสัยใดๆเลยที่สัมมาสัมพุทธะาจาักไม่แทงตลอดสภาวะธรรมเหล่านั้นในสังสารวัฏอันไม่ปรากฏเบื้องต้นและในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้เนี่ยทรงทราบท่วนทั้งหมดดังแก้วมณีในพระหัตถ์ท่านสาธพบอกว่าทำทั้งปวงย่อมมาปรากฏในข่ายพยานของพระรัมยสัดาผู้รู้แจ้งโดยสิ้นเชิง ทีนี้ในคําว่าในข่ายพญาเนะี่ยหมายถึงมหาผวังคือมหาวิบาศจิตดวงแรกที่ทําหน้าที่ผวังของสรพพัญยูความจริงเนี่ยนะทําเหล่านั้นแม้ปรากฏเสมอด้วยมหาผวังแต่ครั้งพิจารณาอภิธรรมที่ควงโพธิพึกแล้วแต่เมื่อสัพพัญูทรงประสงค์จะพิจารณาธรรมเหล่าใดเนี่ยย่อมพิจารณาใครควรรมเหล่านั้นด้วยอวัชนะจิต เป็นอย่างๆและใครๆย่อมไม่สมควรจะทวงติงว่าธรรมทั้งหลายมีหลากหลายแต่มหาวังเป็นจิตเล็กน้อยไม่ใช่หรือความจริงเรื่องนี้เป็นอนุภาพของธรรมที่บึงไม่รู้อันยิ่งยอดยิ่งก็ตรงนี้ท่านก็ทวงไว้หมายความบอกว่าถ้าวมาบอกว่าการได้มหาวังเนี่ยมหาวังของท่านใช่ไหมมหาวิบากเนี่ยเป็นมหาวังของท่านเนี่ยก่อนที่จะขึ้นมโนทวารรชนะเนี่ย หาพวังนั้นเป็นอันันตระสรรมานตระอันันตุโรเวนิจนาติวิคตะและเป็นอุปนิสัยปัจจัยเก็บสั่งสม บ, บุคาลมีมาอย่างยาวนานแล้วฉะนั้นเก็บสั่งสมมาอย่างยาวนานแล้วฉะนั้นเวลาจะไลิมโนทวารแลชนะเพื่อให้น้อมนึกอารมณ์ใดๆเนี่ยไม่ใช่ยากเลยสําหรับสําหรับพระพุทธเจ้าสําหรับพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็คือชี้เห็นบอกว่า ทมที่พระบรมศาสดาไม่ทรงรู้ไม่มีพระองค์ทรงรู้ทะลุทะลวงเนี่ยนะส่วนสังสารเนี่ยนี่ทีบายซ้าเดิมะนะเป็นบทอุปสรรคที่มีอาจเหมือนคำว่าสามหมังโดยพระองค์เองซึ่งแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้แจ้งธรรมโดยปราศจากครูท่า น, นบอกกษย บ, บอกแกอุปกะชีวบอกว่าอาจารย์ของเราไม่มี ถามว่ารูปสมาบัติสามและสี่ของพระเจ้ามีมูลเหตุคือ阿拉ระดาบทุตตะดาบทใช่ไหมสมาบัติที่ท่านได้อะที่ท่านได้อากาสาววิญญากินญาอาจารยาา์ท่านหนึ่งแล้วก็ไปได้อีกหนึ่งญากรอาจารย์ท่านหนึ่งใช่ไหมตอบว่ารูปสมาบัติที่ท่านได้มามีมูลเหตุคือ阿ลรดาบทนั้นก็จริงแต่สมาบัติเหล่านั้นไม่ใช่บาทแห่งกิริยาตัตรุในภายหลัง พระพ่อองค์ไม่ได้ทําชานี้เป็นบาทในการตัดสู้ไม่ใช่เอาชาเนั้นมาเป็นบาทแต่ชาที่พระ อ, องค์เอามาเป็นบาตรในการตัดสู้นั้นเป็นชาที่พระ อ, องค์ระลึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กแต่พระ อ, องค์มาทําใหม่ท่านรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่บาทอันนั้นเป็นไปเพื่อมิจฉาสมาธิใช่ไหมาไม่เอาในข้ อ, อนั้นบุคคลใดนะคือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นในโลกร่ารู้แจ้งสัจธรรมได้ ที่ตนเองไม่เคยสดับมาบรรลุความเป็นผู้รู้ธรรมทั้งบวงและเชี่ยวชาญในทศพลยานเป็นต้นเหล่านั้นะชื่อว่าสัมมาสุบุรยเจ้าตัดถาก็ลงในตัดถาะนะก็ลงในตัดธรรมีมิวิพัฒนะ ล, ลงในสั ต, ตมีวิพัฒส่วนกัปรเรสุก็ปแปลว่าทศพลยานทั้งหลายวสีภาวังก็คือเชี่ยวชาญคือเป็นผู้ชำนาญในวสีอรู้แจ้งธรรมที่ไม่เคยสดับมานาะ สังมาจากคําว่าสัมมาเนี่ยก็ด้วยพระองค์เองตัดถาบรรลุความเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวงและความเป็นใหญ่ในทัศพลยานซึ่งรู้แจ้งสแสดงอักของสัมมาโดยชอบเนี่นะนี่เป็นเงี้ยตรงนี้ก็ท่านก็ไปสแสดงคําว่าอตุละสัพอตุลังเนี่ยอตุลังแลได้หลายในยะแฝกกันไปแฝดกันมาก็งงงกันอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่มีใครเปรียด อตุลานี่ยนะเพื่ออันนี้เป็นการกล่าวอนุภาพตรงนี้ก็คือภิกษุผู้ตั้งจิตมั่นย่อมรู้แจ่มประจักษตามความเป็นจริงเนี่ยในข้อนั้นก็คือบอกว่าพระพุทธเจา้าบอกอาจารย์ของเราไม่มีผู้ทัดเทียมเราไม่มีบุคคลเสมอเราไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกการที่พระองค์ทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครเปรียบนี่ไม่ใช่เรื่องน่าสะใจนะเพราะยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว แม้การที่พระองค์ผู้ประสูติแล้วไม่มีใครเป็นผู้คคทัดเทียมวันนี้คน้นเขานีไปเรื่อย เราเป็นผู้เลิอดคือปัญหาเนี่ยะพระองค์ประสูติใช่ไหมแล้วก็ยืนประทับยืนผินประพักทางทิศตะวันออกจักรวาลหาที่สุดไม่ได้นิทิศนั้นได้กระจ่างเนื่องเป็นอันเดียวกันเราถวยเทพทางทิศตะวันออกจักรวาลหาที่สุดไม่ได้นั่น น, นะนะ พระพรหมทั้งหลายผู้ทำรงอยู่ในจักรวาลนังกล่าวข้าแต่มหาบุรุษบุคคลผู้เสมอพระองค์ย่อมไม่มีในโลกนี้ผู้เหนือกว่าจะมีได้อย่างไรแล้วก็ได้บูชาอย่างยิ่งใหญ่แม้ในทิศอื่นก็ในยะเดียวกันก็หมายความว่ า, วาในวันที่พระปรมศาสดาตอนนั้นเป็นเจ้าเป็นที่เป็นกุมารเนี่ยประสูติออกมาเนี่ยหันไปทางทิศไหนในทิศนั้นก็ทกเทพเทวดามันพรหมทั้งหลายก็ บูชาเลยบอกโอ้โ oh, ห oh, ท่านยิ่งใหญ่เป็นมหาบุรุษเอกของโลกได้อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วถามบอกว่าไม่ใช่ว่าหาบุคคลเปรียบเปรยไม่ได้เปรียดปางไม่ได้เฉพาะในหลังยางตัดสรู้เท่านั้นแม้ยังไม่ได้ตัดสรู้ตอนประสูตรใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นท่านถึงบอกว่าเราเป็นผู้เลือดเราเป็นผู้เป ร, เริฐนะอักโคหมัสมิโรกสษาเชิดทวหมัสมิโรกษ า, า, กษาแล้วก็เศษโัมัสมิโลกสษา อามันติมาชาตินัตถานิบุณะโพธิเียเราเป็นผู้เลดเราเป็นผู้ประเสริฐเราเป็นผู้สูงสุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดใหม่ของเราไม่มีตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปทั้นการที่พระองค์เกิดในชาติสุดท้ายแล้วไม่มีใครเปรียบเทียบเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ยังไม่น่าอัศจรรย์แล้ว่าอย่งไรก็ต้องอัศจรรย์ว่าเป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมในขณะที่พระองค์เป็นสุมเมธาดาบทได้รับพุทธบัญญัติแล้วว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าแน่นอนในสำนักของพระทีปังกอนสัมมาสมัามพุ ก็ไม่มีใครเสมอพระองค์ด้วยคุณธรรมบา ร, รมียกเว้นพระเจา้าทีพังก่อนเอาสิตอนนั้นน่ะถามว่าที่ยืนนั่งๆกันอยู่ใช่ไหมเอาที่เอ า, เอาพระพุทธศาสนยถามว่าที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายมีใครบำเพ็ญบา ร, รมีมาเท่าทานเอาเลยวัดกันเลยเอาอักรลาสาวกใช่ไหม ท่านมาสิบหกแล้วมาสิบหกแล้วเนี่ยฉะนั้นก่อีกันจะได้รับพระนุยางกรเนี่ยถามว่าใครแอะนอกจากพระเจ้ามาท่านเนี่ยท่านเป็นบุตรชนท่านนั่นเองท่านเหลือสอ่ะท่านมาสิบหกแล้ว <c oughs> ทําไมพระเจ้าไม่ข้ามท่านบุกให้ไม่ได้นี่นาน่อเนี้อพุทางกุลใช่ไหมหน่อของโพธิ์หน่อของโพธิปักษ์เน เราไปเหยียบย่าได้ไงนู่นในที่นอนเนี่ยเห็นไหมในประตูนอนนู่นนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าชี้เลยนั่นแหละนั่นแหละนัน่นแหละมองเห็นไหมว่าเป็นอย่างนั้นจริงจริงใช่ไหมใครละยิ่งใหญ่เท่าท่านไม่มีแต่ท่านเป็นบุถุชนเท่านั้นเองแต่ใจเสมอท่านไหมล่ะใจเสมอไหมล่ะใจที่คิดอย่างท่านไหมล่ะ ฉะนั้นในขณะที่พระองค์เนี่ยนะเป็นสุเมธา ด, าดาบุได้รับผู้เยาะกรว่าอยเป็นบรุเจ้าแน่นอนในสันนักของพระทีปังกรก็ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์ด้วยคุณธรรมเนี่ยไม่มีใครเสมอด้วยทานบา ร, รมีศีลบารมีเนี่ยข ม, มา้าปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานะเมตตาและก็เบกขายกเว้นพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงกล่าวถึงการที่ไม่มีผู้ใดทับเทียมพระองค์โดยปฏิหาร พิเศษคือการหว่่นไหวขงโลกธาตนะุมื่นหนึ่งเนี่ยเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นในขณะนั้นถามบอกว่าในขณะที่ท่านไห้คนบา ร, รมีเนะี่ยใหคนบา ร, รมีทำของท่านเนะี่ยโดยนุลมปฎิลมเป็นต้นแผ่นดินทำให้ไหวอันนั้นบ่งบอกถึงว่าสิบหกะสงไขยท่านทำมาจริงๆไม่ใช่ไม่ทำเนะ่เนี่ยใช่หมเมื่ก็มันนึกดูโอ้โหนี่ไงพุทเจ้า ท่านไม่ได้คุณธรรมคือมักเท่านั้นแหละแต่ท่านได้แน่แต่ท่านจะขนสัตว์หรือสถาปนาม่ได้อันนี้สิที่ท่านวางไว้ในใจของท่านเป็นเพาะเชื้อแล้วใจของท่านเหล่านี้เปลี่ยนไม่ได้แล้วทำยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้เอาอะไรมาฉุดท่านตอนนั้นไม่ได้แล้วแปลว่าเต็มแล้วคำว่าเต็มในที่นั้นหมายความว่าเป็นพระเจ้าเต็มที่แล้วแต่โบมีเสียสงยัย อีกนับไม่ได้เงี้ยเสียสงคายนะไม่รู้จะคำนวณยากแต่ก็ถือว่าเห็นไหมบา ร, รมีเต็มแล้วลองคิดดูที่ตั้งแต่นั้นมาถ้าใครไปบปิดเทศร้ายท่านน่ากลัวใช่ไหมแต่ท่านปลอดภยัยบุคคลเหล่านี้ปลอดภยัยมากมากสาสที่จะตัดสรู้เป็นพระเจา้านี่ลองคิดดูเถอะกระแสบา ร, รมีห้อมล้อมหน้าล้อมหลังทำอะไรท่านไม่ได้เลย หลงเชื้อพักเชื้อคู่ตกนรกมีไม้ตกแต่จะไม่เล็กกว่านกกระจอกนกกระจาบจะไม่โตกว่าช้างนแต่ถึงแม้เป็นอบัยสัตว์ก็รักษาอุโบสถศีลเ <c oughs> นี่ยเป็นถ้าเราได้เป็นพระโพธิสัตว์จะเข้าบังคับคนช่วยใช่ไหมไมันก็จะมีศีลบางถึงจะไปเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยงเป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่ไม่ตกยากอ่ะไม่เป็นสัตว์กระจอก ดังนั้นก็เป็นศาส์กระจกเลยใครเห็นก็ไม่เมตตาไม่ไม่กรุณาแถมสอิสเอียนต่างหากเลยเนะนี้ยนี่เป็นยังงั้นปัญญาที่ใขรควรบารมีเป็นไปอย่างนั้นมีสภาพคล้ายสัพพยตญาณในวิสัยของตนแค่ต้องบอกว่าหมื่นโลกธาตุดว่วนไหวจึงควรกล่าวเว้นถึงผู้ที่สั่งสม สาวกโพธิญาณแสนคนในกำเพียราาตกถาท่านบอกว่าปัญญาที่ไข้ควรบารมีมีสภาพคล้ายสรบพดุญาณในวิสัยท่านไข้ควรบารมีปุ๊บมีแผ่นดินไหวเนี่ยดูสิเนี่ยบอกโอ้โหแล้วสาวกที่บำเพ็ญบารมีสู้ไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้แล้วแสนกับกับสิบหกอสองไขยท่ที่ดูจะเทียบยังไง เนี่ยเนียให้เห็นอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าท่านมีคุณตั้งแต่เป็นพระโพธแค่คิดในใจก็โหยคุณใหญ่โตแล้วใครน้กล้าคิดอย่างงี้กล้าคิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไานั้นเนะออใช่ไหมจ๊ะน่าศรัทธาแท้หน้าตั้งศรัทธากับท่านบุญ น, นี้จริงๆใช่ไหมจ๊ะคือการไม่เห็นคุณของท่านเนี่ยใช่ไหม ถ้าไม่ตามร่องรอยสืบค้นรายละเอียดจริงๆเราจะตามไม่เห็นคุณหุณท่านหรอกต้องเจาะจริงๆเหมือนอย่างว่าอะใชยงงย้ยังงอยปากยังยงเจาะเพชรเนะี่ยเจาะไปเหอะนะเข้านะเข้าว่าสำเร็จไม่รู้ที่นั่งๆกอย่างนี้มีใครเจาะสำเร็จหรือทีนี้ ความจริงนะผู้ที่สั่งสมสาวกโพธิยานเมื่อรู้คุณธรรมบา ร, รมีควรแต่โพธิยานของตนได้แต่การก่อนก็จะมีภาวะไม่หวนกลับมาตั้งแต่นั้นเหมือนกันร่วงพ้นความเป็นบุญชนผู้คอยตามบัตตรคอยตามฐานธาท่าเจตนาและอย่างลงสู่ภูมิของผู้สั่งสมโพธิยานเป็นผู้ที่เชี่ยงในการบรรลุมรรคและก็มีการจะตัดรู้ในอนาคตโดยปริยายเมื่อได้ปรากฏเฉพาะหน้าต่อพระเจ้าในการนั้นก็จะได้รับพยากร์นแน่นอน จึงควรเว้นการกล่าวถึงผู้สั่งสมสัมมาสัมปทิยานและปัเจกพดิยาณเนนะี่ยฉะนั้นคนที่สั่งสมสาวกพดิยาณเนี่ยนะเมื่อรู้คุณธรรมบารมีควรแก่พดิยานของตนในการได้แต่การใดแล้วก็จะมีภาวะไม่หวนกลับคือถ้ามันกระตุ้นเตือนตนเองว่าตนเองเนี่ยเป็นคนสั่งสมจะเป็นนี้เป็นนี้มาแล้วใจน้อมน้มจริงๆเนี่ยถ้ารู้อย่างเนี้ยไม่ไม่หวนกลับแล้วพวกเนี้ยมีโอกาสบรรลุ ที่เราก็มานั่งพิจารณาอย่างเราท่านทั้งหลายใช่ไบางทีมันไม่มีกระแสของโพธิในใจกันเลยแต่อยากจัดทูเนี่ยท่านั ง, งเก็นใน ห, หลายท่ายท่า น, นหมายถึงว่าใกลุ่มที่ปรารถนาจะตัดทะูุกันทั้งหลายใช่ไหต้องการจะพ้นทุกเนี่ยถามว่าไม่เคยคิดเรื่องโพธิในใจเลยเพราะมันจะต้องเป็นโพธิอย่างใดอย่างหนึ่งเอาซิไม่เคยรักเลยโพธิมันแต่เกิดมา เขอยู่ต่อมาเขาเบื่อโลกยิ่งท่ทาไหนก็จะบรรลุกับเขาเนี่ยไปอย่างไม่ค่อยรู้ข้อมูลกันแล้วซ้ำมโมหะก็ครอบงําไปไงนนนี้แหละนะไอต้ตรงนี้ก็แต่ก็ยังว่าจะไปเดี๋ยวก็กเข้าใจเมื่อไปเจอครูดีอาจารย์ดีคําสอนดีเนี่ยนะเป็นเสียงเพื่นเหมือนกับจับฉลา ก, กวันที่หนึ่งยังง่ายกว่าเลยเนี่ยก็เสี่ยงเนาะนักเสี่ยงเสี่ยงโชคทั้งหลายก็ต้องเสี่ยงกันดูถ้าคิดว่าเสี่ยงแล้วมันคุ้ม แต่ที่ผ่านมาในสังสารวัตมันผิดเน่มันผิดทนนั้ น, นแม้จับฉลากอรอยิยมรรคเนี่มันจับไม่ได้จริงๆมันต้องได้ข้อมูลไปอ่ะใช่ไหมใช่ไม่ไม่ได้แนะนำนั้นเนี่ยพูดให้แม่คือจะไปแนะนำบอกว่าไม่มีข้อมูลอย่าไปจับฉลากเขาเนี่ยเอาไหม ทีนี้การสั่งสมดังที่ได้กล่าวเนาะดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นผู้ที่ไม่มีใครที่จะเปรียบแปานไปต้นถงนี้ก็ไล่กันไปตามลาดับนะประการต่อมาก็พูดคําว่าสัมมาสัมพุทธะอตุลังนี่แหละเคตุสัมปท า, าถึงพร้อมได้เหตุผลสัมปท า, าถึงพร้อมได้ผลสัตตุปการะสัมปท า, ถ, าถึงพร้อมได้อนุภาพ อนุเครานะห์เนี่ยนะการอนุเคราะห์เราสัตว์เหตุสัมปทาเนี่ยในที่นี้ที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยเหตุตัวสัมปทาเนี่ยนะในเหตุตัสัมปทาเนี่ยในเหตุตัสัมปทาที่กล่าวตรงนี้ก็คือหมายความว่าเป็นไปในอรียมัตหรืออาตมัตแล้วก็ ทยาณนะสัมปทาก็าสัพพัญ ย, ยาแต่เหตุสัมปทาความเพียบพร้อมได้พระมหากรุณาที่คุณในการได้บังเพญมาถ้าจะพูดกันให้กว้างขวางคำว่าเหตุสัมปทาเนี่ยต้องเอามากกว่านั้นนู่นแหละเริ่มตั้งความเพียรที่แรกอเอาตั้งแต่เหตุภายนอกนู่นแหละเอาตอนไหนดี การบำเพ็ญสัมมาสัมโพธยานมาลิสการบำเพ็ญโพธิสมภารสามสิบทัศบรมีสาสิบทัศเริ่มตั้งแต่ถ้าหากเอาค้นคมพีอย่างเราเราค้นกันได้ก็คือในในช่วงของสัมภารวิบากเนี่ยหรือมุนีธาในในนาธาทีบนีบ้างหรือในคมพีโสติโสตตะกีมหาิทานเป็นต้นบ้างเนี่ยเอาเนั่แหละเอาที่ว่าก่อนยี่สิบประสง์ขายนี่ อาที่ว่ามานบน้อยแบกแม่ข้าวมหาสมุนนั่นแหละอาที่ว่าพรมโดนจิตโดนใจในการที่ปราถนานั้นเป็นเหตุทนะั้งนั้นสรุปก็คือเริ่มบ่มเพาะบา ร, รมีครั้งแรกนะเมื่อใดอันนั้นจัดเป็นเหตุสูสัมปทาแม้ในมหาวิปัสสนาญาณของสัพพายูเจ้าเนะี่ยมหาวชิระญาณปัญญาดังกระทาเพชรก็หมายความว่าในมหาวิปัสสนาญาณทั้งหลายเนะี่ย ถ้าเราศึกษาในเรื่องของมหาวิปัสนาญาณทั้งหลายของพระเจ้านั่นแหละในคัมภีวิสุธิมรักษก็กล่าวไว้ปฏิสมิธามรักษ์ใดๆต่างๆเหล่านี้พยานทั้งหลายวิปัสนาญาณต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดแม้แต่มหาวชิระญาณของพระเจ้าที่ดันทะทาเพชรใหญ่จํานวนสองล้านสี่แสนโกดนักควงโพธิพึกก็นักเข้าในเหตุสุสภาษะทั้งสิ้นฉะนั้นมหา ในในด้านของก็คือว่ามหาวิปัสสนาญาณเป็นประทัดฐานของโพธิญาณอันปเสริ่ที่นี้มหาวิปัสสนาญาณเนี่ยนะมหมายปัตยานที่เป็นประทัฐานของโพธิญาณอันเสรื่ก็คืออรหันตมรรมยานนั้นแต่แก้ลายลายไปที่นามรูปปริเฉทญาณบัจยะปริขหายานสมมาสนายานอุทยพยาญาณเป็นต้นลายไปํามลดับนี้นะเริ่มตั้งแต่นั่นแหละปลุกเพนิวางสานุสียานเันแหละนั้นเป็นที่ถิวสุดที่ใช่ไหมแล้วก็ อยู่ตูปปาทิยานก็เป็นกังขาวิจารณวิสุทธิ์นั่นแหละนับเนื่องเขาในนามรูปปริเฉทายานปัจจะยปริขหายานเป็นต้นแล้วก็สมัชนิยานเป็นต้นเนี่ยแหละแล้วก็ไล่มาดีแต่เนี้ยเริ่มถ้าหากว่าอาสวะขย้ายานก็ลืมตั้งแต่นู่นเลยมหาปัจจะานไล่ไปเลยเนี่ยที่เป็นประทัดฐานของอาณาจักรนั่นแหละอันนั้นเป็นเหตุสัมปทานปัญญานับเข้าในเหตุสัมปทานทั้งนั้น ทีนี้ในสัมสัมปทาสี่อย่างนะเหตุสัมปทาเนี่ยนะปานาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการละยาณาสัมปทาถึงพร้อมด้วยพยานนี่นะอนุภาวะสัมปทาถึงพร้อมด้วยอนุภาพและก็รูปภกายยะสัมปทาถึงพร้อมด้วยรูปกายนิพผล์สัมปทาเมื่อกี้กล่าวถึงเหตุสัมปทาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็กล่าวถึงผลสัมปทาบ้างที่เลกายาวเลยนะสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ไม่ค่อยอยากขยายขยายแล้วเป็นอย่างเงี้ยในการเป็นวิชาการไปเลยทีนี้ปหาณสัมปท า, าการละ ก, กิเลสพร้อมด้วยความเคยชินคือวาสนาอันบริบูรณ์ครบถ้วน้นหมดจดองคธรรมได้แก่อรามะอรอ ร, อริยมาทั้งสี่ถ้าโดยตรงก็คือนั่นแหละอรหัตมรรมขยานนี่คือเป็นปหาณสัมปท า, าเป็นปหานสัมปทา ถ้าถามว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธาเนี่ยจัดเป็นปหานะสัมปทาใช่ไหมใช่สัมมาสัมพุโทโธเนี่ยจัดเป็นปหานะสัมปทาเข้าใจไหมเป็นสัมปทาก็คือมีการปรหากิเลสส่วนญาณนะสัมปทธธาคือสัพพัญญุตญาแล้วก็ทศสะพละญาเป็นต้นไล่ไปแล้วเมื่อกี้ไล่ไปแล้วทศสะพลญาเป็นต้น ในคมภีวิภาวนีท่านที่บายาณสัมปทาก่อดบายานะสัมปทาอันนั้นก็ไม่ต้องไปขยายแล้วแต่นั้นเนี่ยก็ขยายตามนี้ก็แล้วกันเพราะงั้นเดี๋ยวไปวิจารคำพีร์อีกก็เป็นเรื่องที่ที่ปัญญาไม่ถึงเนียปัญญาเราไม่ถึงมาถึงปัญญาผู้แสดงทีนี้ ส่วนอนุภาวะสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลคุณสมาที่คุณปัญญาคุณถึงฤทธิ์เป็นต้นอนุภาพที่ไม่อาจจะคาดได้ถามว่าคือผลิตเนะี่ยยาณวิราชของพระเจ้านะ่ะคาดคาดเดาได้ไหมอนุภาพของพระเจ้าทั้งหลายอะคาดคณีหรือเดาได้ไหมเดาไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็รู ป, ปกายจสัมปทาคือความถึงพร้อมบริบูรณ์ประกอบไปด้วยมหาปุธธริสราขนาะสามจุดสองประการและอนุพยัญชนะแปดสิ ฉะนั้นความบริบูรณ์แห่งอนุภาพความบริบูรณ์แห่งพระรุูปกายของพระเจ้าเป็นต้นอาเชนเดี ย, อ, อ, อ, อ, อ, ยอ๋อเอาไปยังไหนมาเอออานังหนัง เน้นขยับนั่งก็อีตัวนี้เออนนั่ ง, น, งนั่งก็อี ต, ตัวไม้ตัวนี้ตัวนีย้ายที่ยิงนไว้เออเออเอาจารย์จะนัมงสอนไกันอาจายบรรยายทาอยู่ อ, อนั่งฟังทากันก่อนจะได้กนะ็ เกี่ยงในเรื่องของรูปปการยะสัมปทาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านั้นประกอบไปด้วยมหาบุริสละขนาะ32ประการแล้วก็นุบัญชนะ80อันนั้นเรียกว่าสัมปทาพระบรมศาสดานั้นเป็นผู้ที่ถึงพร้อมในรูปปกายที่บริบูรณ์นั้นก็เพราะว่าทานบรารมีศีลบรารมีเนคขมะบรารมีวิรยิยะปัญญาบรารมีวิรยิยะบรารมีขันติสัจาทิฐานเามตรและก็อุเบขาบรารมี แล้วก็อุปปาระมีสิบปรมัตมะลมีสิบของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนั้นพระองค์จึงได้รู ป, ปรกายที่วิราชอนุภาวะสัมปทาก็ถึงพร้อมด้วยอนุภาพต่างๆนั้นก็วิราชต่างๆนี้ทีนี้ถ้ามาพิจารณาในการอนุเคราะห์เราสัตว์นั้นมีอยู่สองอย่างสองอย่างก็คือว่าอาสยะสัมปทาหรืออาสยะสัมปทาการถึงพร้อมด้วยอัธยาศัย แล้วก็ประโยคสัมปทานะั้นนการถึงพร้อมด้วยความเพียรก็หมายความว่าความปราณี ด, ด้วยอัธยาศัยและความบริสุทธิ์ด้วยความเพียรแห่งกายและว่าจารทีนี้ในด้านของอาส ย, ยามสัมปทาคือว่าความมีอัธยาศัยเกื้อกูลเสมอในเหล่าสัตว์ผู้ประทุษร้ายพระผู้มีพระภาคถามว่ามีไหมที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีจิตคิดไม่ดีต่อพระเทวทัใช่ไหม หรือต่อบุคคลที่คิดปฏิทุสลายพระผู้เมียพระเจ้ามีนางยินจะมานวิกานางสุนทรีเป็นต้นพระบรมศา ส, สดานั้นไม่เคยมีจิตในการที่จะคิดปฏิทุสลายตอบมีแต่จิตที่คิดจากกรุณาแล้วก็อนุเคราะห์เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ไกลาจากราคะโทสะโมหะและอีกประการหนึ่งก็คือว่าการสั่งสมอัธยาไสยในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจาก สังสารทุกข์ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็เป็นการบ่มเพาะบา ร, รมีมาเพื่อเกื้อกูลสังเกต ด, ดูในบา ร, รมีสิบอุปปา ร, รมีสิบและก็ปรารมิธบา ร, รมีสิบที่พระบรมศาสดาสั่งสมมานั้นเนะ่ยสรงสรรสร้งสมมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปัญญาคุณพระองค์นั้นทรงผูกสัตว์โลกก็คือผูกเราท่านทั้งหลายในจักรวาลทั้งสิ้นไว้ในตน และพระองค์ยังผูกบา ร, รมีสิบมีธานบา ร, รมีเป็นต้นไว้ในตนฉะนั้นเมื่อผูกไว้อย่างนั้นแล้วเนี่ยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นผู้มีอาศัยะหรือมีอัธยาศัยที่บริสุทธิ์มากบริสุทธิ์และเพื่อเกื้อกูลต่อสัตว์โลกจริงๆแต่ถามว่าท่านผู้ใดที่จะเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือไม่อันนั้นก็อยู่ตรงที่การสั่งสมอัธยาศัยเหมือนกัน ว่าท่านคนนั้นไม่จิตนอบน้อมในการที่จะฟังว่าธรรมของผู้ทีเจ้าหรือไม่นะส่วนประโยค้าสัมปทาคือความบริสุทธิ์แห่งความเพียรในการแสดงธรรมนะผู้ทธเจ้าเวลาประกาศพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยพระองค์นั้นมีพระญาณวีราชมีพระวจนะนั้นวีราชมีพระฤทธิ์นั้นวิราชมีรูปกายนั้นวิราชความวิราชแห่งพระรูปกายนั้นก็เป็นความวิราชเพื่อจะอนุ ก, กูลเกื้อกูลต่อสัตว์ให้สัตว์นั้นตั้งตถาคตาโพธิ์ที่ศัทธาในผู้ทีเจ้า เพื่อจะได้เดินตามพระธรรมที่พระเจ้าทรงสแสดงเพื่อจะได้เป็นปัจจัยในการพน้นทุกข์เหตุผลในการที่มีพญาณวิราชนั้นจะได้รู้อัธยาศัยของสัตว์ว่าสัตว์เหล่านี้มีราคะจริตโทสทัจริตโมหะจริญพุท ธ, ธิหรือวิตกจริตหรือศรัทธาจริญเหตุผลที่พระเจ้านั้นที่จะต้องสั่งสมพระวจนาวิราชก็คือการมีพระธรรมคําสอนให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของสัตว์นั้นก็เพราะเพื่อจะเกื้อกูลต่อสัตว์นั้น เพื่อจะกระชากจิตใจของสัตว์นั้นให้ออกจากวัตถุกรรมให้ออกจากกิเลสการมน้อมก็หาอะไรน้อมก็หาความพ้นจากสังสารวัฏพ้นจากความเบียนว่ายตายเกิดใช่ไหมพ้นจากความเกิดคือความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากความโศกความลำเละลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจและก็พ้นจากความคักแค้นใจที่สัตว์ทั้งหลายที่ละงมจมกันอยู่ในพิษไข่ของความทุกข์นานาประการเนี่ย ฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้พระองค์มีประโยค่าบริสุทธิ์มีความเพียรบริสุทธิ์ในการแสดงธรรมพระองค์ไม่ได้แสดงธรรมเพื่อเพ่งลาบส ก, การะเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงเพื่อเสียงสรรเสริญเยินยอใช่ไหมเพื่อความสุขไม่ใช่เลยนะแต่พระองค์นั้นแสดงธรรมไปเพื่อจับได้มีเมตตามีพระมหากรุณาที่คุณมีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความคิดไม่ตรงพระธรรมคําสอนของท่านไม่ตรงคําสอนตามความเป็นจริงก็คือว่าทุกเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเห็นว่าเป็นสุขใช่ไหมทุกข์สัตย์เนี่ยความจริงก่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นต้นมาจากความเกิดเป็นอเนกเนี่ยมันพิจารณาอย่างนี้สัตว์ชอบการเกิด เมื่อฉักสัตว์นั้นชอบการเกิดใช่ไหมสัตว์นั้นจึงมีวิปริตมนุษย์การคิดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยการที่คิดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยสัตว์นั้นก็ส่งกระแสจิตไปในเรื่องของวิปราชธรรมทั้งหลายไปเห็นของไม่งามว่างามเห็นของที่ไม่เที่ยมว่าเทียมเห็นของที่มันเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่มันไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนมันไม่สามารถจะคอนโทรลได้ว่าเป็นอัตตา เป็นตัวเป็นตนแล้วก็เป็นสิ่งที่คอนโทรลได้เป็นทีทนี้สัตว์ทั้งหลายวิปลาสในกระแสจิตเต็มไปหมดอย่างเงี้ยพระองค์ก็มาพิจารณาดูแล้วว่าสัตว์นั้นวิบีวิปลิตมนัิการเมื่อมีวิปลิตมนสิการแล้วก็คือไม่ได้ไม่ได้น้อมจิตไปตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งคือโลกใบนี้ที่ได้กล่าวไว้แล้วประกอบไปด้วยสาสิ่งสังขารโลกโลกคือสังขานหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจ สัตวโลกโลกคือหมูสัตว์หมายถึงความสมมุติว่าเป็นสัตว์บุคคลที่มีชื่อมียศมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานอันนี้คือสัตว์นะคือการบัญญัติว่าสัตว์ผู้นั้นเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็ว่ากันไปโอกาสโลกโลกหมายถึงภาชนะโลกหมายถึงโลกแต่ละใบที่สัตว์ทั้งหลายอิงอาศัยอยู่ทีนี้สัตว์ทั้งหลายไม่เข้าใจความเป็นไปของโลกธรรม ความเป็นโลกธรรมว่ามันเนื่องอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจชื่อว่าความได้ลาบเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกําลังจะวิบัติมันจะเสียหายไปอันนั้นคือความเสื่อมลาบเมื่อมีการยกย่องเห็นไหมมีการสมมุติกันเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจชนิดว่ามียศมีตําแหน่งมีการงานอย่างนั้นคือการได้ยศ แต่พอสถานะตรงนั้นมันหมดไปของตาหูจมูกเล่นกายใจตรงนั้นมันหมดไปนั่นคือความเสื่อมอยุบทีนี้ถ้ามีการชื่นชมใช่ไหมสารเสริญตาหูจมูกเล่นกายใจชุดใดชุดหนึ่งก็เรียกว่าการได้สารเสริญถา้ามีการติชินนินทาตาหูจมูกเล่นกายใจหรือหรือโครงสร้างของขันนั้นเมื่อไรขึ้นมาก็เรียกว่าการการนินทาเห็นไหม ฉะนั้นไอ้คาว่าโลกกระทำมันก็คือโลกก็คือเป็นไปกับสังขารและโลกเป็นไปกับสัตว์โลกเป็นไปกับภาชนะโลกนี้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่เข้าใจความเป็นจริงของความว่าโลกกระทำเมื่อไม่เข้าใจตามความเป็นจริงของโลกกระทำแล้วเนี่ยสัตว์เหล่านั้นก็มีวิปลิตมนัสิกามันคือคิดผิดเมื่อไปเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยสัตว์เหล่านั้นก็เกิดความเพลอดเพลินเกิดความยึดติด เกิดความหวงแหนเกิดความอะไรอวรดเกิดความ พ, อพรอคูณอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นในที่เจ็บจริงๆสัตว์โลกนั้นก็ต้องจมอยู่ในอบายทุกขติวิธิบาตใ น, นโลกและที่หนักที่สุดก็คือว่าจมอยู่ในวัฏฏะสัตว์ทั้งหลายเห็นว่าวัฏฏะเป็นบ้านไปแล้วไม่เห็นวัฏฏะไม่เห็นกระแสข อ, ของขันธะอเยตนะไม่เห็นกระแสของตาหูจมูกเล่นกายใจว่าเป็นคุกแล้ว หรือในกลุ่มหนึ่งเห็นว่าเป็นคุกแต่ยินดีในคุกไปแล้วยินดีในวัตตาไปแล้วยินดีพอใจที่จะมีตาหูจมูกเลี้งกายใจยินดีพอใจที่จะไม่อยากออกจากตาหูจมูกเล่้งกายใจยินดีพอใจในการที่จะเพลิดเพลินลหลงไหลอยู่กับตาหูจมูกเล่้งกายใจอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าอุบาสเกิดขึ้นมาเพื่อมาประกาศสัจจ์คือประกาศความจริงให้สัตว์ทั้งหลายได้ทราบ ว่าความจริงของสัตว์ทั้งหลายที่กําลังเข้าใจกันอยู่นั้นนะ่ะสัตว์เหล่านั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดในทางวัตธรรมเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นผิดไปจากตามความเป็นจริงคือความเห็นของสัตว์เหล่านั้นคลาดเคลื่อนวิปริตผิดจากตามความเป็นจริงของสภาวะของอริยศัตว์แล้วอริยศัสตร์กล่าวคือโทุกขศาสตร์นั้นน่ะ น, นะเป็นจาสตร์ที่ควรรอบรู้ควรกำหนดรู้ ถามว่าอะไรคือทุกข์สัตว์ใช่ไหมคือตาหูจมูกเล่นกายใจเมื่อตาหูจมูกเล่นกายใจอุบัติเกิดขึ้นั้งแรกนีนเรียกว่าชาติทิทุกเมื่อความเสื่อมโทรมของตาหูจมูกเล่นกาย ใ, ใจค่อยๆคืคบคลายลงมาทุกขณะนั้นเรียกว่าฉลาทุกเมื่อกระแสของโรคต่างๆครอบงำกระแสของตาหูจมูกเล่นกายใจเแบียดเบียนกระแสของตาหูจมูกเล่นกายใจทุกขณะนี้ก็เรียกว่าพยาธิทุก เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นวิบัติไปแต่ละพบแต่ละพบอันนั้นเรียกว่ามรณะทุกข์เมื่อความปริเทวานาาการเกิดขึ้นเพราะการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเรียกว่าปริเทวทุกข์เห็นไหมให้ความโศกความล่ํายลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทับแค้ใจอันเนื่องจากการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์เนี่ยมันก็ท่วมทัดสัตว์โลกมาทุกทกเวลาทุกทกขณะ แต่สัตว์ก็ไม่รู้สัตว์โลกก็ไม่ทราบว่าตนเองถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้วแล้วสัตว์ไม่เคยคิดว่าจะทํายังไงถึงจะออกจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เลยไม่เคยคิดออกจากทุกข์เลยแต่คิดที่จะวนหาแล้วก็เวียนหาผูกพันอยู่กับทุกข์อันนี้คืออะไรอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่า สัตว์เหล่านั้นแย่แล้วลําบากแล้วอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นเวลาพระองค์แสดงธรรมนั้นเนี่ยพระองค์มีประโยคะบริสุทธิ์ในการเทศนาโดยการไม่เพ่งสการะเป็นต้นของพระพุทธเจ้าผู้ทรงแสดงธรรมแก่พระราชาแก่ราชามาหมาเสดสีข้ามดีหรือว่าบุคคลที่เลื่อมใสในโลกฉะนั้นสัมมาสัมพุท ธ, ธหรือสัมมาสัมพุทธโทธผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนั้นเน่ะ เป็นปหาลสัมปทาและญาณสัมปทาทั้งสองอย่างนย่างที่ได้กล่าวมาแล้วฉันพอเราเข้าใจในคําสอนของพระเดเจ้าเนี่ยตรงนี้แล้วเนี่ยนะจะได้มองเห็นว่าฉะนั้นคำว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยเริ่มจับประเด็นองค์ธรรมเนีแล้วประเด็นองค์ธรรมอันแรกก็คือถ้ามองในแง่ของปะหานะสัมปทาจัดอยู่ในเรียมัครหรือสมัค ถ้ามองในแง่ของญาณนัสสะปทาก็อยู่ในสพญุตญาณทศกญาณเด้วยทีนี้ท่านก็ขยายคำว่าสัมมาสัมพุทธะดังที่ได้กล่าวบอกว่าสัมมาแล้วก็คำว่าสังคำว่าพุทธะเนี่ยนะมีสามคำนะสังก็มาจากสัมมาสัมพุทธะสังก็มาจากคำว่าสัมมาเนี่ย สัมมาสัมพุทธะแยกเป็นสามบทคือสัมมาแปลว่าโดยชอบสังกันด้วยพระองค์เองนะีพุทธะก็คือตัสฉลุโดยใจความก็คือตัสฉลุอริยสัจด้วยมรรคยานสี่ที่บระหารกิเลสพร้อมทั้งวาสนามีสัพพัญญตญาณนั้นสามารถรู้เยียเธรรมทั้งสิ้นโดยไม่มีส่วนเหนือยโดยชอบและด้วยพระองค์เองพระสารีบุตรได้แสดงไว้ในหมหาดีเทศในขุทัการนิกายปฏิสัมพิธามักเป็นต้นก็แสดงไว้ว่าพระเจ้าผู้เป็นสยามภู เำามาสยามคูนี่แปลว่าอะไรแปลว่าหาครูไม่ได้ไม่มีครูคนไม่มีครูยังอาตมาเนี่ยต้องบอกว่าคนมีครูคนมีครูเนี่ยสมัยก่อนอาตมาใช้ตัวเองว่าเป็นคนอาภัพครู อาภาัพครูก็คือว่าหาครูสอนไม่ได้พุทธเจ้ามีไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่เราไปหาครูสอนไม่ค่อยได้นี่ก็ได้คนอาภัพครูครูที่จะสอนเราให้สื่อเราให้ถึงสามมาสมัมพุทโธไม่มีใช่ไหมเราเรียนรู้เองได้ที่ไหนล่ะปัญญาเราน้อยตรงเนี้ยลําบากแต่ยุคปัจจุบันนี่หลายหลายคนเนี่ยเขาหาครูไม่ค่อยยา ไม่เค่อยลำบากเหมือนอาตมาอาตมานี่เป็นคนหาครูไม่ใช่หาพระเจ้าอยา่างกนยคําสอนพระเจ้ามีอยู่แต่อาตมาเปิดอ่านแล้วไม่รู้เรื่องแต่ต้องการจะหาคนบอกบอกคําสอนของพระเจ้าถ้าทําให้อาตมาเชื่อมกับบรมครูได้อาตมาจึงไม่มีครูระดับล่างเนี่ยเชื่ออาตมาเนี่ยให้เข้าถึงบรมครูถ้าเราไม่ถึงบรมครูเราก็ถึงบรมธรรมไม่ได้เพราะคนบรมครูท่านรู้บรมธรรมใช่ไหม บรมมาธรรมนันหมายถึงพระนิพพานบรมครูคือพุทธญาติใช่ไหมเราหาคนหาคนนํามาเชื่อมใจเราเนี่ยเชื่อมกายกรรมวิญญากรรมของเราเนี่ยนเะข้าถึงบรมครูไม่ได้นี่ลำบากเพราะเราเป็นคนว่ายากเราเป็นคนสอนยากเราจะแนะนํำยังไงให้ถึงบรมมาคูได้ใช่ไหมเอาเชื่อมยากไหม เชื่อมยากไม่ใช่งา่ายการที่เราจะเชื่อมหนึ่งพระเจ้าเนี่ยฉะนั้นสยามผู้หาครูไม่ได้นี่คือพระเจ้าแั่รู้ยิ่งสัจจทั้งหลายคือทุกสมุทัยนิโรธมากด้วยพระองค์เองในพระธรรมทั้งหลายซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทีนี้ความมารรลความเป็นผู้รู้ทั้งสิ้นในสัจจสีดังที่ได้กล่าวนั้นน่ะถึงความเป็นผู้คล่องแคล่วชํานาญด้วยทศพลายานเป็นต้นคือฐานาฐานายาณของพะเจ้าเป็นต้นพระเจ้านั่นแหละคือ สัมมาศัพท์เนเป็นนิบาต ท, ที่เป็นไปในอาจว่าชอบหรือแปลว่าถูกต้องซึ่งเป็นการแสดงว่าพระเจ้านั้นพระองค์นั้นตัดสรู้แล้วก็ทรงรู้ทั่วถึงซึ่งธรรมที่แยกเป็นสังกตธรรมและอสังคตธรรมทั้งสิ้นก็คือสามารถที่จะแยกได้ว่านี้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ น, นี้คือตาหูจมูกเล่นกายใจและนี่ไม่ใช่ตาหูจมูกเล่นกายใจและแยกด่แยกด่แยกธรรมที่มีกรรมจิตตัตัประหารพุงแต่ง และธรรมที่ไม่มีปัจจัยคือสี่คือกรรมจิต ต, ตัวหารพุงแต่งคือนิพพานและบร ญ, ญัตินี้ได้ชัดเจนแล้วก็ด้วยอํานาจรู้แจ้งลักษณะพร้อมทั้งกิจตามความเป็นจริงรู้ลักษณะล่าสับปัจจุบันประทัดฐานของสภาวธรรมทั้งสิ้นแล้วก็รู้กิจของธรรมนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยนะสังสับนี่เป็นบทอุปสรรคนะที่มีอาจว่าสา ม, มังมาอย่าเข้ามาสามมังนะเหมือนกันคําว่าสังกับคําว่าสามมังเนี่ยนะ ด้วยพระองค์เองไงซึ่งแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้เยียธรรมด้วยสยามภูยานที่เกิดพร้อมจากความที่พระองค์สั่งสมบารมีมาได้พระองค์เองไงปราศจากครูสมจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรได้ตรัสไว้บอกเรารู้ยิ่งเองจะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นอาจารย์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่คำว่าสามมังละนะิเนี่ยนะพระองค์นั้นสั่งสมบารมีด้วยปราศจากครูนะให้สังเกตดูทีว่า พอหลังจากใช่ไหมพอหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบรยากรท่านทำไมไม่ตามพทะเจ้าไปอ่ะท่านไม่ตามนะท่านมาไคร่คว้นบุญมีที่พระพุทธเจ้าตรังก่อนกระทำมานี่คนปราศจากครูเนี่ยก็ทำอย่างนี้ถ้าอย่างเราจะไปคิดออกได้สักข้อไหมอ่ะ ให้ไปนั่งคิดเองยังคิดไม่ออกเลยคิดบา ร, รมีตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยเนี่ยเนี่ยได้ไปคิดลักษณะลักษณะปฏิปทานประทัด ฐ, ฐานของบา ร, รมีจบเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยนั่งร้องไห้เดี๋นี้เลยไม่รู้จะคิดยังไงออกเลยอ่ะทานมีลักษณะยังไงกิจของทานเป็นยังไงผลปรากฏของทานเป็นยังไงทานเป็นยังไงประทัดฐานของทานเป็นยังไงถ้าไม่มีหนังสือจะจบเลยใช่ไหมเนี่ย คิดคิดบา ร, รมีไม่ออกนี่แค่นั่นงนั่งกันอยู่เนี่ยนี่เข้าใจใช่ไหมเนี่เป็นอย่างนี้คิดบา ร, รมีไม่ออกชวนกันไปทําบุญเรื่อยแต่ไม่รู้ลักษณะของทานใช่ไหมแล้กิจของทานก็ไม่รู้ว่ากิจทานนี่เริ่มจากอะไรไหมผลปรากฏของทานเป็นยังไงประทับฐานของทานก็ไม่ทราบนี่นะเหตกุการณ์ของทานคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปทาทานให้ทานกันใช่ไหม เนี่ยแค่ทานเนี่ยเอาพูดแค่ทานเนี่ยไม่ต้องไปพูดทําอย่างอื่นนี่เขาเรียกคิดบารมีไม่เป็นนะว่แต่จะบําเพ็ญบารมีไม่ใช่พูดถึงผู้มีบารมีทั้งหลายเนี่ยอันนั้นบารมีทั้งโลกก็อีกคนเรื่องเลยอันนี้บารมีที่พระเจ้ามีมั้งถ้าในบรรดาผู้มีบารมีทั้งหลายไม่มีใครเกินพระเจ้นอกนั้นเขาเรียกไม่มีเขาเรียกมีบารมีเทียมกันเยอะเดี๋ยนี้ก็ประการต่อมาก็คือว่า พระองค์นั้นตื่นเฉพาะแล้วโดยชอบด้วยพระองค์เองไม่ใช่บุคคลอื่นปลุกให้ตื่นเออตรงเนี้เนี่ยทรงปราศจากความหลับคือลุ่มหลงพร้อมทั้งวาสนาอย่างเด็ดขาดได้พระองค์เองทีเดียวเบิกบานแล้วก็เบิกบานตามลําดับโดยชอบได้ด้วยพระองค์เองโดยการบรรลุสัพพัุตยานประดับได้หมู่แหงคุณนานะประมาณนับไม่ถ้วนเพราะบรรลุอรรมกพยานเออพระเจ้าเนี่ยทำเองมาหมดเลยนะลองพิจารณาดูเนี่ยเนี่ยถามว่า มีมีมีใครไปบอกท่านไหมว่าเ อ, อ้เนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านต้องมีวิริยะบรารมีเนอะไม่มีเลยนะท่านต้องไปคิดไข่ควรจริงๆแล้วก็เร่งรีบจริงๆเลยนะไม่มีใครกระตุ้นเลยอ่ะแต่พอท่านคิดเห็นปัจจัยไปเสร็จแล้วท่านก็ดักจิตของท่านเองใครควรเดินหลยอย่างเงี้ยโอ้โหคนอย่างเงี้ย เกิดมาเป็นผู้นําแท้ยังมายังมาอย่างเราเนี่ยโอ้โหขนาดปุป๊กงงเก็อยากลุกเลยอ่ดงไหมป๊อปปุ๊กยังไม่ถึงเวลาเลยจะเป็นบากนี้เสมอเลยเนะี่ยใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ใช่ดังั้นคนที่เขสร้างบา ร, รมีนี่เขาประเภทที่ความคิดนี่ประเภทที่ถึงเวลาที่ไม่ได้ปุป๊บป๊อปป๊บปเลยมันต้องฝึกอย่างนั้นเลยเป็นผู้ตื่นคือเป็นผู้เพียรก่อนอนะ ในข้าวในข้าวเขาจะตื่นจากกีเลสได้ระเบิดบาเด้เนึงให้ให้สังเกตดูที่บารมีทั้งหลายใค ร, คร่ครวญไปเสร็จแล้วก็เดินแล้วตั้งมั่นเนี่ยผูกบารมีไว้ให้แนบแน่นในใจเลยอะ่ะผูกบารมีสิบไว้แน่นเลยวันวันนึงอะ่ะไม่ให้บารมีหลุดเลยอะ่ะแล้วก็ผูกสัตว์ไว้เลยนะที่เราสร้างบารมีเพื่อขนสัตว์หรือสัตว์เนี่ยท่องไว้เลยว่างั้นเดท่องท่องท่อท่ อ, ท อ, ทอไว้ในใจอย่าเงี้ยท่องจะติดนั่นใน ใ, นใจอะ่ะ แล้วก็เดินไปที่ไหนแบบมั่นใจว่าเรามีบารมีเราจะสร้างบารมีตรงเนี้ยวันหนึ่งที่ทานบารมีเป็นยังไงศีลบารมีเนคขมาปัญญาวิริยาเนี่ยผูกไว้เงั้ยนี่นั่นแหละพระโพธิสัตว์อย่างเราก็าผูกโรคใช่ไหมต้องมีโรกก็ผูกโลกไว้เลยเดินใช่ไหมผูกมีบ้านก็ผูกบ้านมีรถก็ผูกรถใช่ไหมที่บารมีที่ไหนก็ข้อไปมีเลยมีการหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานก็ผูกงานด้วยนั้นแหะนี่พระโพธิสัตว์ไม่ใช่ท่านบุกบารมีฉันก็มองว่าไอ้ท่านจะได้อะไรเนี่ย ท่านจะได้ให้อะไรท่านจะได้ให้อะไรใช่ไหมได้ให้ทานไหมศีลจะรักษายัางไงเนคคัมมะหลีกเล้นยังไงปัญญาบารมีไขครวนยังไงที่จะหมดกิจจ์เนี่นะเออท่านเป็นอย่างนี้แล้วท่านไขครวนเองมาอย่างงี้นะนีะ่คือความคิดของคนอยู่เป็นโพธิสัตว์ท่านลักษณะผู้นําเต็มที่เลย แล้วแล้วแล้วเดินนิดตรงเน่าเลยนนี่นะไม่นมีฮะไม่ยังลูกศอนเลว้ววิ่งตรงเลยนะวิ่งตรงเบ็ดเสร็จะไม่มีไม่ไม่ย้อนกลับหลังแล้วแล้วไม่ใช่วิ่งพลาดเป้าด้วยถ้าลูกศอนอย่างคนคนทั่วไปไม่ชำนาญในการปลกยิงเนี่ยพลาดเป้าเยอะใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยอ้นมาไปเห็นเขาเขียนนี่เขียนก่อนเขาติดอยู่ประตู มีพราลบหนึ่งท่านจะไปต่างประเทศท่านบอกว่าท่านเขียนกอนติดประตูเ อ, อ้ยไม่ไม่ใช่เขียนไม่ใช่ทํากรติดประตูเว้ยนะเขียนกอนที่นที่ที่หน้าปร ะ, ประตเูเขียนบอกอันอันลูกสอนจอนจากภากภากจากเบ้าผิดถูกเป้าไม่จอนย้อนกับหลังคือคําคํากรที่เขียนเนี่ยมันมันเขียนแล้วมันแปลว่า มันถูกก็ได้มันผิดก็ได้อย่างนี้นเน่ยหมายความบอว่าลูกศรที่มันวิ่งออกจากแกลงนั้นเนี้ยวิ่งไปแล้วเนี่ยมันจะผิดจะถูกมันไม่วิ่งกลับหรอกลูกศรเป็นอย่างนี้นอันลูกศรจอดจากภาคจากเบ้ า, าจากที่อยู่ขงมันเนี่ยพอมันวิ่งไปแล้วเนะี่ยมันไม่ย้อนกลับหลังท่านก็บอกว่าอันตัวข่าไกลถิ่นบินจากหลังถ้ากลับหลังยังผ อ, งยยอมขย้อนตายก็มาก็อ่านอ่านพยัญชนะอัะ่มาไม่สนใจพยัญชนะ จะออกมาสนใจอัฐมาบอกว่าอถฐคือการวิ่งออกจากเพศคารวาสเดินออกมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเมื่อเดินออกมาแล้ว เ, เสร็จเนี่ยและเราจะต้องเดินให้ถูกเรามีพระธรรมของพระเจ้าในการเดินออกมาใช่ไหมฉะนั้นถ้ามันยังไม่ถึงเป้า คืออนุปาคาปริยนิพพานเะนี่ยคือการดับโดยไม่มีส่วนเหลือคือการปริยนิพพานเะนแล้วหมดจากการเวียนว่ายตายเกิดนะแล้วเราก็ไม่เดินกลับเราก็ไม่เดินกลับอันนี้อัถะแต่เนี่ยน่าคิดแต่ไอ้กรณีที่ปุรุชนทั้งหลายยิงแบบมืดบอดทั้งหลายอันนั้นไม่น่าคิดเพราะมันมันยิงไปผิดถูกต่างๆไม่แก้ไขนี่แบบนั้นนะใช่ไหมถ้ามันผิดเป้ามันต้องแก้ไขทีใหม่ ผิดเปล่าันจำยิงใหม่ชีวิตคนถ้าตัดสินใจผิดมันต้องกลับมาตัดสินใจใหม่ในตัดสินใจผิดไม่ต้องมาตัดสินใจใหม่ความคิดอย่างเนี้ยมันเกิดถ้ามันผิดแต่มันมันเสียหายเยอะถ้ามันถูกก็ดีไปอย่างเงี้ยเนาะโอกาสถูกมันก็น้อยใช่ไหมก็ว่าไปอันนั้นก็คือก่อนแต่ว่าเราเห็นก่อนแล้วเราคิดถึงอัธยาที่ถูกอย่างนี้เป็นต้นอัธยาที่ถูกมันมีอยู่ตรงนี้คือพระเจ้าเนี่ยท่านมาไข้คนบารมีงั้นแล้วท่านกระตุ้นเดือนตนเองแรงมาก เนี่ยแรงมากแล้วความคิดของท่านเนี่ยเรื่องวัตถุกรรมนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยของท่านแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวการที่สัมมาสัมปจนิยานเรื่องใหญ่โตนั่นนะเพราะท่านได้ยินคานี้แล้วอูกทุกท่านตื่นเต้นในใจมากเขาวอกพุโทโธเนี่ยตื่นเต้นมากสำหรับความสูงเพราะที้ยินว่าพระเจ้าว่าการตรัสรู้เนี่ยโอ้โหท่านตื่นเต้นแต่ว่าอย่างนี้ก็ต้องอยู่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าภาษาปัจจุบันนี้อะไรที่มันประทับใจเราที่ที่เราได้ยินในฟัง สิ่งนั้นะที่ที่ประการต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าโดยชอบด้วยพระองค์เองบรรลุสัพพยุติยานอันเป็นที่ประดับคุณทั้งต่างพุทธิยามบอกว่าจะไปอ้างใครนั้นไม่ใช่คนอื่นปลุกให้ท่านตื่นนะที่ปราศจากความหลับและความลุ่มหลงแต่ว่าการที่บารมีธรรมทั้งหลายที่พระองค์บ่มมานะ่ยีงง่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัปบารมีธรรมต่างๆของท่านที่บำเพ็ญเพียรมาต่างๆและก็วิปัสสนาญาณต่างๆเหล่านี้ เริ่มตั้งแต่นามรูปบริเฉยทะยานเป็นแต่เหล่านี้มหาวัปสนาญาณทั้งหลายที่เป็นฐานของอรัฐมรรคฉะนั้นเมื่อท่านได้บรรลุอารัฐมรรคอารัฐมรรคเราชื่อว่าเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้เบิกบานโดยลําดับได้พระองค์เองแล้วในส่วนจริงบรรฑงพระองค์ก็บรรลุสัพพัญญตยานอันนั้นก็ เ, เรียกเบิกบานอย่างสูงสุดไม่กลับไปย้อนหลังอีกแล้วฉะั้นพุทธะนี่ก็สําเร็จมาจากพุทธะไม่ใช่พุทธะท่าพิฆูนี่ไม่ใช่นะพุทธะเนี่ย พุทธเนี่ยธาตุก็คือธาตุของพระบาลีเขาหลักภาษาเขาก็คือพอพานสรุปทอทงในพุทธเนี่ยธาตุแล้วก็ตาปัจจัยเป็นศัพท์กัตตุสาธนะมีรูปวิเคราะห์บอกว่าสัพพะธรรมเมพุทธชติติพุทโอพุทธก็คือผู้ตัดสรุปธรรมทั้งปวงทีนี้มีองค์ธรรมของธาตุแล้วก็ปัจจัยก็คือว่าพุทธธาตุเนี่ยหมายถึงสัรพยุติยานโดยตรงนะทีนี้ หมายถึงอะไรหมายถึงจิตูบาทที่เกิดขึ้นก่อนสัพพยุตายานซึ่งประกอบไปด้วยโยนิโสมนัิการมิน ต, ต้นอันนั้นโดยพห ล, ลูปจารายัยคือจำนวนที่กล่าวถึงผลแต่มุ่งหมายถึงเหตุเคือบางอย่างเนี่ยจำนวนบางอย่างเนี่ยกล่าวถึงผลเนี่ยคำว่าสัสพญญายานนสพยุตยานเนี่ยสัพพยุตยานเนี่ยหมายถึงผลเนี่ยนะแต่ศัพท์เนี้ยจิตูบาที่เกิดขึ้นก่อนสัพพุตยานนะ นั่นหมายกล่าวถึงเหทีนี้ถ้าบอกว่าที่ก่อนจิตที่เกิดก่อนสัพพัญญตาญาณมันก็เยอะจะเอาตั้งแต่โยนิโสมนัสิการเป็นต้นก็ได้ใช่ไหมเอาโยนิโสมนัสิการที่เป็นมโนทวารวัชนะก็ได้มโนทวารวชนะในอารัตมควิถีก็ได้ใช่ไงมหรือมควิถีเป็นต้นนั่นก็ได้นะไอ้ตรงนั้นก็ อันนี้จำนวนที่เก่าเก่าผลแต่มุ่งเหตุสัพพัญญุตยานเนี่ยนะเป็นผลเหตุก็คือจิตวิบาสที่เกิดก่อนสัพพยุตยานหมายถึงจิตวิบาสที่เกิดขึ้นในหลังสัพพัญุตยานโดยการณูประจารณาในจำนวนที่เก่าทั้งเหตุแต่มุ่งทั้งผลก็ได้สัพพัญุตยานที่เป็นผลก็ได้คือจิตวิบาสที่เกิดขึ้นในภายหลังจากสัพพัุตยานอันนั้นก็แล้วแต่จะไปไข้ควนี่นะเอาสัพพัญญุตยานตั้งตรงกลางเข้าไว้ สํานวนบางอย่างกล่าวถึงเหตุก็หมายถึงที่เกิดก่อนสัพพยุตยานสํานวนบางอย่างเป็นการกล่าวถึงผลอันนั้นก็กล่าวถึงหลังจากสัพพัญญญาได้แล้วต่าปัจจัยก็เป็นรูปนามที่ชาวโลกบัญจัรว่าเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเนื่องด้วยความเป็นพุทธความเป็นโดยตรงนะเป็นพรุจประจ า, ารณูประจาระเหล่านั้นท่านอธิบายบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ทรงตัดสรู้ธรรมทั้งหลายโดยชอบด้วยพระ อ, องค์เองตัดสรู้ทั้งหลายคือรู้ยิ่งอันได้แก่สัจจารถัง4ี่นะทุกสมุดไทยนิรบนมาตลอดถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานและก็บัญญัติต่างๆที่เป็นเหตุให้รู้ถึงเนื้อความนั้นๆด้วยความเป็นธรรมอันรู้ด้วยพระองค์ด้วยพยานอันวิเศษทีนี้ความเป็นธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาและในข้อปฏินต่างๆเหมือลักษณะลักษณะปิะยุปทานเนี่ยนะตัดสรู้ธรทรมทั้งหลายที่ควรกำหนดรู้อันได้แก่ทุกขสัจจะโดยองธรรมก็คือโดยธรรมก็คื อ, คคอเป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้ ทำที่ควาละ ก, ก็คือละตันหามีการมาตันหาเป็นต้นแล้วก็ตัดสรุนิโรธแล้วก็ตัดสรุคือมิัธยมตัดสรุมรักก็คือประชุมอริยามรรติองแปดเป็นต้นทีนี้ท่านกล่าวไว้นะในมัชฌิมนิกายมัชฌิ ม, มปัญ น, นาตบอกว่าเรารู้แล้วซึ่งสัจจะทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรตฉะนั้นจิตเราก็ดูดพ้นแล้วจากกามาสะวะหลุดพ้นแล้วจากภาวาสะวะหลุดพ้นแล้วจากอาวิชชาสะวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียาญอย่างรู้ว่า หลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิตที่ควรทำทำเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอย่างนี้นะตรงนี้ก็ได้เคยขยายเวลาค่ะ